การปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปให้เริ่มจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากตามลำดับ ให้ปฏิบัติจากธรรมขั้นต่ำขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงตามลำดับเพราะกำลังของผู้ปฏิบัตินี้เวลาเริ่มต้นนี้ยังจะมีกำลังไม่มากที่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงได้ถึงแม้จะเห็นว่าธรรมขั้นสูงนี้มีอันที่สอง มีประโยชน์มากกว่าทำขั้นต่ำแต่ถ้ายังทำปฏิบัติทำขั้นต่ำไม่ได้การจะไปปฏิบัติทำขั้นสูงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือนี้ทางโลกเขาก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเขาจะให้เริ่มต้นที่ขั้นอนุบาลก่อน แล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ขั้นปฐมขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาไปตามลำดำับสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมากก็อาจจะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นให้ไปได้เร็วกว่าผู้อื่นได้เพราะถ้าสามารถสอบขั้นต่างๆได้ ก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปได้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติของแต่ละบุคคล น, นี้ก็อาจจะอยู่ขั้นต่างๆกันก็ได้เพราะว่าความรู้ความสามารถของแต่ละผู้ปฏิบัตินี้มีไม่เท่าเทียมกันเพราะในอดีตชาติอาจจะได้ ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้พอให้มาปฏิบัติทมขั้นต่ำก็จะสามารถทาได้อย่างง่ายได้และก้าวขึ้นสู่ทมที่สูงกว่าได้ไปตามลำดับผู้ปฏิบัตินี้จะรู้ความรู้ความสามารถของตนเองว่าสามารถจะปฏิบัติได้ในระดับไหน การปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแบ่งเป็นขั้นๆไว้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งคือการทําทานขั้นที่สองคือการรักษาศีลขั้นที่สามคือการบําเพ็ญสมถภาวนาขั้นที่สี่คือการบําเพ็ญวิปัสสนาภาวนานี่คือทำขั้นต่างๆ เหมือนกับการเรียนหนังสือมีขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาแล้วในแต่ละขั้นนั้นเขาก็ซอยขั้นย่อยๆขึ้นมาเช่นขั้นประถมก็มีประถมหนึ่งถึงประถมหกอนุบาลก็มีอนุบาลหนึ่งสองสามมัธยมก็มีมัธยมตั้งแต่ หมหนึ่งขึ้นไปถึงหมหมหาวิทยาลัยก็มีขั้นปริญญาตรีโทเอกจะไปเรียนข้ามขั้นจะไปเลือกเรียนข้ามขั้นไม่ได้อยากจะเรียนระดับปริญญาโทเขาก็ต้องถามว่าผ่านปริญญาตรีมาได้หรื อ, อยังถ้ายังผ่านไม่ได้เขาก็ไม่ให้เรียนเพราะรู้ว่าเรียนไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดี อันในผู้ปฏิบัติก็ต้องตรวจดูความสามารถของตนว่าสามารถปฏิบัติได้ในขั้นไหนขั้นทานนี้เป้าหมายของการทำทานก็คือให้ลดลื่อละความหวงในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองละความตเนยละความโลภ อยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆละการใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลินก้นกายนี่คือเป้าหมายของการทาทานทาทานนี้เราต้องการที่จะสละทรัพย์เพื่อไม่ให้หวงเพื่อจะได้ไม่หวงเพราะว่าถ้าหวง ก็จะไม่สามารถทิ้งทรัพย์ไปแล้วเพื่อไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี้ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องสละชีวิตของคารวะไปชีวิตของคารวะนี้ก็โยงอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาทรัพย์สมบัติเงินทองมาเพื่อจะได้เป็น เครื่องมือในการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะหาเงินหาทองนี้ที่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจหรือผูกโยงกับผูกโยงใจไว้ไม่ให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้ก็คือถ้าหาเงินเพื่อมาซื้ออาหาร ปัจจัยสี่เครื่องเครื่องอยู่อาศัยของร่างกายในกรณีของผู้ที่ไม่ได้ออกบวชหรือผู้ที่บวชไม่ได้แต่อยากปฏิบัติธรรมก็จำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ถ้าจําเป็นอย่าต้องหาทราบก็จะหาเฉพาะเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายนี้เหมือนกับพระภิกษุนักบวชที่หาเลี้ยงชีพด้วยการบินทบาทผู้ครองเรือนผู้ที่ไม่ได้บวชแต่อยากจะปฏิบัติธรรมเหมือนพระภิกษุก็ถ้าจะหาเงินก็หาเงินเพื่อมาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารหาปัจจัยสี่ ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้ดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายในการรักษาศีลและในการภาวนาจะไม่เสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองที่หามาได้นี่ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขใจชั่วคราว นี่คือเรื่องของทานถ้ามีทรัพย์ที่จะเอาไปใช้ในการซื้อความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายต้องเลิกเอาทรัพย์นี้มาไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองหรือถ้ามีมากเกินไปก็เอาไปแจกไปทําบุญทําทานนี่คือเรื่องของทานถ้าทําทานได้ ความอยากได้เงินได้ทองจะไม่มีความอยากร่ำอยากรวยจะไม่มีก็จะทําให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่ยังอยากร่ำอยากรวยก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นอุปสรรคเพราะจะโกงก็ไม่ได้จะโกหกหลอกลวงก็ไม่ได้ ถ้าไม่โกงไม่โกหกหลอกลวงมันก็จะรวยยากรวยช้าแต่ถ้าโกงหรือโกหกหลอกลวงนี่มันจะรวยง่ายและรวยเร็วคนที่อยากจะรวยอยากจะมีเงินทองมากๆเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้แต่คนที่ไม่อยากรวย ไม่อยากโกงไม่อยากโกหกหลอกลวงก็จะไ ม, ไม่ต้องการคือคนที่ไม่ต้องการเงินทองมากๆไม่อยากรวยง่ายๆได้เร็วๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปชอบโกงแล้วถ้านำําเงินทองที่มีอยู่ที่มีมากเกินไปนี่เอาไป ทำบุญทำทานก็จะทำให้เกิดมีความเมตตามีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นคือมีความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขไม่มีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนจากการกระทำของตนเองเวลาจะทำอะไรก็จะระมัดระวังที่จะไม่ทําให้เกิดความ ทุกข์ยากเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นก็จะรักษาศีลจะไม่อยากจะทำบาปจะไม่อยากจะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเทปสุรายามาอันนี้ก็จะเลื่อนขั้นขึ้นไปถ้าทำทานได้ก็จะรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลฆ่าได้ ก็จะรักษาศีลแปดได้ถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะไปปรีกวิเวกไปภาวนาได้เพราะจะมีเวลาไม่ต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินเอาทองไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายถ้ายัง อยากเที่ยวยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะเสียดายเงินหัวเงินจะไม่อยากจะเอาไปทำบุญทาทานอยากจะเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอเงินหมดก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองมาเที่ยวอีกเวลาที่จะมาภาวนามาปีกวิเวกก็จะไม่มี ก็จะต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองพอวันหยุดก็จะต้องไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตัดปัญหาอันนี้ด้วยการหยุดใ ช, ใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆให้มาหาความสุขจากการปฏิบัติ จะดีกว่ามาหาความสุขจากการรักษาศีลมาหาความสุขจากการภาวนาและม า, มาหาความสุขจากการทำบุญทาทานจะดีกว่าเงินที่ใช้ไปกับการซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกับเงินที่เอามาทำบุญทาทานนี่ผลลัพธ์นี่จะต่างกันมากเงินก้อนเดียวกันปริมาณเท่ากันนี้ความสุขที่ได้จากการ ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้สู้ผลที่ได้รับจากการไปทำบุญทำทานไม่ได้น้ำหนักของการทำบุญทำทานนี้จะมีมากกว่าและจะฝังอยู่ในใจนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่พอกลับมาบ้านปั๊บ ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนั้นก็จะหายไปเหมือนกับควันไฟความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้เหมือนกับเป็นก้อนน้ำแข็งยังเย็นใจยังสุขใจอยู่และเวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้เมื่อไรก็ตามความสุขนั้นก็ยังมีอยู่ในใจของเรา คิดถึงทีไรก็ทำให้เกิดมีความสุขใหญ่ขึ้นมาทุกทีแล้วก็จะทำให้ตัดความอยากไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เบาลงให้น้อยลงได้เพราะทุกครั้งที่มีความอยากจะซื้อความสุขแล้ว เ, เอาเงินที่จะไปซื้อความสุขนี้มาทำบุญทําทานแทนก็จะไม่ได้ทำตามความอยาก เมื่อความอยากไม่ได้รับการตอบสนองความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับจนในที่สุดจะไม่มีความอยากที่จะไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆถ้ามีเงินทองเหลือก็จะมาใช้ในการทำบุญทมทานแทนเพราะเห็นผลว่ามีความสุขมากกว่าดีกว่าและนานกว่า และไม่มีโทษคือไม่มีความอยากตามมาเหมือนกับความสุขที่ใช้กับการซื้อเหมือนกับการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของการทําทานเป็นการเบิกทางให้ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาไปปฏิบัติไปภาวนาไปรักษาศีลกันถ้าไม่ทําทานไม่ยอม ไม่ยอมเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่มีวันที่จะขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้ยังไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลที่บริสุทธิ์ได้ถ้ารักษาก็รักษาแบบพอหอมปากหอมคอเช่นวันพระรักษากันสักวันหนึ่งเพื่อให้สบายอกสบายใจหน่อยแต่ก็ยัง จะไม่สามารถที่จะรักษาได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเวลาไปหาเงินหาทองนี้จาเป็นที่จะต้องเลิกรักษาศีลอว้ชั่วคราวอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมขั้นแรกผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจว่าการทำทานนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อที่เราจะได้ตัดตันหาความอยาก ความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆนี้เองถ้าเราตัดความอยากซื้อความสุขต่างๆได้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาซื้อความสุขแบบนี้เราก็จะมีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ตามลำดับต่อไป นี่คือเรื่องของการรักษาการทำทานเช่นผู้ที่สละสมบัติเข้าของเงินทองไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายก็ออกบวชกันพวกที่ออกบวชนี้เขาจะไม่มีเขาจะไม่เอาทรัพย์ติดตัวไปถ้าไปบวชเป็นพระนี้ห้ามไม่ให้มีทรัพย์ไปเลยให้ไปตัวเปล่า จะได้ไม่ต้องมายุ่งมากังวลมาวิตกมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะได้ไม่ต้องม า, าทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนักบวชจึงมักจะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดอย่างในสมัยปัจจุบันสมัยหลวงปู่มัน่น ก็มีลูกเสร็จของหลวงปู่มัน่นสามีภรรยา ค, คู่หนึ่งท่านชื่อพระอาจารย์พรหมท่านกับภรรยาไม่มีลูกท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชกันสามีก็อยากจะบวชเป็นพระภรรยาก็อยากจะบวชเป็นชีท่านเป็นคนที่มีฐานะในหมู่บ้านมีที่มีนานมีวัวมีควายมีสมบัติต่างๆ ท่านไม่มีลูกไม่มีล้านท่านก็เลยประกาศให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านว่าใครขาดหรืออะไรต้องการอะไรก็มาขอจากท่านได้เพราะท่านจะบริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดนี้ไปเพราะท่านไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วเพราะท่านจะไปหาความสุข ที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาท่านไม่ต้องการหาความสุขจากการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเวลาต้องหาเงินหาทองนี้ก็ต้องทุกข์ต้องเหนื่อยต้องยากลำบากนละเสี่ยงต่อการทำผิดศีลผิดธรรมถ้าอยากจะได้ง่ายๆและได้เร็วๆ อันเห็นว่าได้ทำแบบนี้ได้ความสุขมาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปความทุกข์ที่เกิดจากการต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขชั่วประเดียวประดาวเห็นแล้วก็ไม่คุ้มไม่คุ้มค่าความสุขที่ได้พอได้มาแล้วก็หายไปต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ จนไปจนถึงวันแก่วันตายก็ต้องก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆการที่จะหาความสุขแบบนี้ก็จะยากขึ้นลำบากขึ้นและในที่สุดก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้อีกต่อไปตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากแต่ไม่มีความสุขที่จะได้จากการทำตามความอยาก ท่านเห็นโทษของการอยู่แบบผู้คลองเรือนเห็นโทษของผู้ที่ใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองซื้อความสุขต่างๆท่านมีศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่มั่นท่านเห็นหลวงปู่มั่นเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่ดีเป็นผู้ที่เป็นผู้คลองเรือนมาก่อนแต่ก็มีศรัทธาความเชื่อในคาสั่งสอนของ พระบรมศาสดาพระอาหาันตสัมมาสามพุทธเจ้าได้สละการครองเรือนสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญศีลและภาวนาท่านเห็นแล้วก็เห็นผลที่ท่านได้รับจากการบำเพ็ญเกิดท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวบของพระพุทธเจ้าได้พบกับนิบานังปรมังสุขขัง ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่ท้าวรท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้ความสุขแบบนี้มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดนี้เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปทุกมีย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอและการเกิดนี้ก็จะไม่หยุดถ้าไม่มาปฏิบัติไม่มาบําเพ็ญศีลและสมถะภาวนา สีนสมาธิปัญญาท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงรู้ว่าการอยู่แบบคารวะผู้คลองเรือนี้เป็นการผูกมัดตนเองให้ติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีวันหลุดพ้นและรอดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัฏได้เลยจะต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ นานๆจะมีผู้คนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะเห็นทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้สักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือในยกที่นยุคที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนผู้นั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความมีโชควาสนาอย่างมากเพราะจะมีโอกาสได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติ ได้เล็ดลอดได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอรหันตสาวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีจังหวะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพำำระธรรมคําสอน ได้พบกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถมีผู้บอกทางมีผู้ที่จะคอยสั่งคอยสอนมีผู้ที่จะคอยสนับสนุนให้กำลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้พนะระอาจารย์พรมท่านจึงสละทรัพย์สมบัติท่านกับภรรยา สละสมบัติที่มีทั้งหมดไปแล้วก็ไปบวชท่านก็ไปบวชเป็นพระภรรยาก็ไปบวชเป็นชีแล้วตัวหลวงปู่พรมท่านก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นไปขอศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านมรณภาพไป อติของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นการยืนยันว่าจิตของท่านนั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการที่ท่านได้ผลนี้ก็เพราะว่าท่านได้ทาตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั่นเองที่สอนให้ทาทานให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้เท่าที่จาเป็นสาหรับเช่นแม่ชีอาจจะต้องมีทรัพย์ไว้สาหรับซื้ออาหารหรือว่าถ้าไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติก็เอาเงินที่มีเหลือนิดไปทำบุญกับวัดไปก็ได้อันนี้ต้องทำทานให้ได้ก่อนทานทานที่พูดถึงนี่คือทานระดับเต็มที่ หมายความว่าถ้าสอบก็ต้องสอบให้ผ่านถ้าทําทีละเล็กทีละน้อยทีละร้อยร้อยละสิบร้อยละห้าอย่างนี้อย่างเรียกว่าเป็นการซ้อมทําไปก่อนอยังไม่ได้ทําจริงถ้าทําจริงนี้ต้องร้อยทั้งร้อยมีล้านหนึ่งก็บอ่อยจากล้านหนึ่งไปมีสิบล้านมีร้อยล้านก็ปล่อยจากหรือยกให้ใครไปก็ได้ยกให้ลูกให้ยกให้หลานให้ใครก็ได้ ขอให้ตัวเราอย่าไปมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็แล้วกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเป็นข้อกังวลและไม่ต้องมาทำให้ต้องมายุ่งมาเสียเวลากับการดูแลจัดการบริหารทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะได้มีเวลาในการรักษาสีลในการบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่นี่คือ ขั้นที่หนึ่งต้องทําทานผู้ที่ออกบวชทั้งหลายนี้ท่านทําทานได้สําเร็จนท่านผ่านเรื่องของการทําทานได้เพราะท่านมีทรัพย์สมบัติมากน้อยท่านก็ทําไปหมดแล้วท่านก็สามารถที่จะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์เพราะไม่มีเหตุที่จะต้องไปให้ไปผิดศีลไม่มีเหตุที่จะต้องไปช่อโกงไม่มีเหตุที่จะต้องไปโกหกหลอกลวง พก็ไม่มีความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของใครต้องการที่จะไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้เจริญส ม, มถภ า, ภาวนาคือการการทําใจให้สงบด้วยการสนับสนุนของศีลของนักบวชคือถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีก็ถือศีลแปงเป็นสา ม, มเณรก็ถือศีลสิบ เป็นพระภิกษุก็ถือศีลสองยสศีลนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะคอยสนับสนุนคอยควบคุมใจที่เป็นเหมือนอสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการ อ, าอบรมสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าเช่นม้าป่ายังไม่ได้รับการาบังคับให้อยู่ในกฎในระเบียบ ก็เลยต้องใช้ศีลนี้เป็นตัวควบคุมใจไม่ให้ออกไปนอกกรอบที่จะไปท ะ, ทะเลทลายไปหาเรื่องอื่นทาแทนที่จะทำเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าไม่มีศีลไว้คอยกันไว้ก็อาจจะไปทำกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่นำมาสู่ความสงบเช่นกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ถ้าถือศีลแปดนี้ก็จะไม่สามารถทำได้ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลรับประทานตามความอยากหรือการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆดูมหรลศพต่างๆทำมีการร้องรำทำเพลงหาความสุข ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปงานสังคมต่างๆผู้ที่ถือศีลแปดนี้ก็จะตัดกิจกรรมเหล่านี้ไปหมดจะไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลําพังไม่คุกคลีกับใครอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากสถานบันเทงิงห่างไกลจากมหัรศพห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ สรบแปดนี้ก็จะเป็นเหมือนรั้วที่จะกันไม่ให้ใจทะลักออกไปสู่สถานที่เหล่านั้นเพื่อจะได้บังคับให้ใจไปเข้าสู่สถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะการเจริญสมถะภาวนาการทำใจให้สงบนี้จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่สงบากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้กายวิเวกก็คือ ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆมายุ่ยยวนกวนใจเมื่อเช้ามีผู้หนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าถือศีลแปดอยู่ที่บ้านภาวนาอยู่ที่บ้านแต่จะได้ยินเสียงเพลงอยู่เรื่อยๆเพราะคนข้างบ้านหรือคนในบ้านนี้เขาจะเปิดเพลงฟังกันเวลานั่งสมาธินี้รู้สึกว่านั่งไม่ได้นั่งแล้วใจมันไม่ยอมสงบ พ่อมีเสียงเพลงมาคอยลบกวนใจจึงอยากจะมาขออยู่กับพระอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะเวลาอยู่ในสถานที่สงบวิเวกเช่นในป่าในเขานี้จะไม่มีเสียงลบกวนใจเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้พัดเสียงเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจไม่ทําให้จิตใจพุ่งสร้างขึ้นมา เหมือนกับเสียงเพลงเสียงของคนทำกิจกรรมต่างๆเสียงคนพูดคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงของมหสพบันเทิงต่างๆหรือกลิ่นต่างๆเช่นกลิ่นอาหารเวลายามค่าคืนเวลายามเย็นคนที่ไม่ได้ถือศีลแปลเขาก็จะมีการทำอาหารมีการรับประทานอาหารกลิ่นของอาหารก็จะโชยเข้ามาสู่จมูก ของผู้ที่ถือศีลแปดก็จะรู้สึกลำบากเพราะเมื่อได้ดมได้กลิ่นแล้วมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาผู้ที่อยากจะบำเพ็ญเพื่อไม่ให้มีอุ ป, ปรสรรคในเรื่องราวเหล่านี้จึงต้องไปอยู่ในสถานที่สงบส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดซึ่งสมัยนี้วัดก็ต้องเลือกเพราะวัดเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแหล่งของรูปเสียงกลิ่นลดไป ในวัดนี้ทางวัดก็มีมหรอพมีตลาดนัดมีพุทธพาณิชย์ต่างๆอยู่ภายในวัดมีกิจกรรมที่มีแต่ส่งเสียงกระทึกคึกโคมอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นวัดแล้วเพราะคาว่าวัดนี้ในนิยามของพระพุทธเจ้าก็คือวัดที่มีแต่ความสงบร่มรื่นปราศ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสผลธรระ ที่คอยยั่วยวนกวนใจที่คอยอทำให้ใจพุ่งขึ้นมาวัดต้องเป็นวัดที่สงบวิเวกเช่นวัดป่าวัดเขาที่อยู่ห่างไกลจากบ้านจากเลนการปฏิบัติจึงต้องยากลำบากหน่อยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแต่ถ้าอยากจะได้ของดีก็ต้องอดทนต้องมีขันติมีความอดทน ต้องมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรต้องพยายามผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในที่เหล่านั้นให้ได้เพราะว่าเป็นเหมือนกับการปลูกข้าวการปลูกข้าวนี้ต้องหาที่ที่ดีหาที่ร่มที่มีน้ำดีดินดีจะปลูกแล้วจะได้ข้าวมากถ้าไปหาที่ดอนที่สูงเช่นปลูกบนภูเขา จะมีแต่หินดินจะไม่มีน้ําก็จะไม่ค่อยมีปลูกแล้วก็จะไม่ได้ผลการภาวนาในสถานที่ที่ไม่สงบไม่วิเวกก็เหมือนกับการปลูกข้าวบนบนภูเขาบนหินนี่เองส่วนการภาวนาในสถานที่สงบสงัดวิเวกนี้ก็เป็นเหมือนกับปลูกข้าวในที่ลุ่มที่มีน้ําสมบูรณ์มีดินดีปลูกแล้วข้าวก็จะเจริญ ง, งอกงามเติบโตขึ้นมา ออกดอกออกผลได้อย่างมากมายผู้บําเพ็ญจึงต้องตั้งเฝ้าไปที่การปีกเวกเสมอถ้าอยากจะบําเพ็ญให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แต่การไปอยู่ที่ห่างไกลที่ในป่าในเขานี้ย่อมมีความยากลําบากเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกความสุขทางร่างกายนั่นเองเป็นที่ที่ ไม่มีแม้แต่น้ำแม้แต่น้ำประปาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่กันแบบสมัยพระพุทธการอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญแบบนี้ท่านไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาท่านอยู่ในป่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อผาอยู่ในถ้มอยู่กับธรรมชาติ ทำไมท่านอยู่ได้ทําไมท่านตัดสรู้กันได้ทําไมท่านบรรลุธรรมกันได้ก็เพราะว่าที่ที่ยากที่ลําบากที่กันดารแต่เป็นที่สงบวิเวก น, นี้แหละเป็นที่อส่งเสริมการปฏิบัติเป็นที่ที่สนับสนุนให้เกิดมรกผลนิพพานขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าเกิดในป่าในเข า, เาตัดสรู้ในป่าในเขา และเสด็จดับขันธ์ปารณิพานในป่าในเขาเพราะว่านี่เป็นที่อยู่ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นที่อยู่ของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์านานท่านก็จะเข้าบ้านเข้าเมืองเพื่อเปิดญาติโยมสักครั้งหนึ่งมาอบรมสั่งสอนธรรมะให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังส่วนผู้ที่ต้องการธรรมะแบบ เต็มที่ก็จะต้องมุ่งไปหาท่านตามป่าตามเขาเพราะเป็นที่อยู่ของท่านท่านมักจะอยู่ในที่เหล่านั้นถึงแม้ว่าท่านจะได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์แล้วท่านก็ยังต้องอยู่ในที่แบบนั้นอยู่เพราะเป็นที่เหมาะกับการอบรมสั่งสอนผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานนั่นเองท่านจะไม่มาอยู่ในเมืองเพื่อมาสั่งมาสอนให้ญาติโยมทั้งหลายหรือผู้สนใจ พอสอนไปก็จะไม่ได้ผลเพราะสถานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติท่านก็ยังอยู่ในป่าในเขาของท่านอยู่แต่จะมีผู้มุ่งไปศึกษาไปปฏิบัติและไปอยู่กับท่านแล้วผู้ที่ไปอยู่กับท่านและไปศึกษาไปปฏิบัติกับท่านนี่แหละก็เป็นผู้ที่จะได้บรรลุมรรคผลนผิพพานกันนี่คือเรื่องของผู้ที่ทำทานได้แล้ว สละการคองเรือนได้แล้วก็จะสามารถมุ่งไปสู่สถานที่วิเวกสงบสงัดได้ไปรักษาศีลของนักบวชได้คือรักษาศีลแปดหรือรักษาศีลสิบหรือรักษาศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดได้เมื่อมีการรักษาศีลที่บ่อยสุดจิตใจที่ชอบทะเลทลายไป หาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเิ่นกายก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็จะอยู่ในวงแคบแคบอยู่ภายในใจก็ต้องใช้สติเป็นผู้ที่มากําจัดมันการภาวนาจะทำใจให้สงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมใจไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งไม่ให้ใจคิดไปในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสตัณหา เรื่องของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิื้นกายหรือเรื่องของความอยากต่างๆความกังวลต่างๆความกังวลก็เกิดจากความอยากกังวลกับคนนั้นกังวลกับคนนี้อยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้กลัวเขาจะเป็นอะไรไปคิดไปแล้วก็พุ่งไปเปล่าๆกังวลไปเปล่าๆ ถ้าจะคิดใกล้คิดว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครไปห้ามเขาได้อะอนัตตาเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะตายหรือเขาจะมีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับเขามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปปกป้องคุ้มครองรักษาเขาได้นทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าใครจะดูแลให้กับเขาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เป็นการประวิงเวลาไปเท่านั้นเองถ้ามีการเฝ้าดูแลรักษาโอกาสที่จะเป็นอะไรไปก็อาจจะช้าหน่อยแต่ในที่สุดมันก็ต้องเป็นไปมันก็ต้องตายไปอยู่ดีถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ใจจะได้ไม่วิตกไม่กังวลอย่าไปอยากให้เขาไม่เป็นอะไรตัดความอยากอันนี้เสีย ยอมรับความจริงว่าเขาจะเป็นอะไรนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนวิบากกรรมของเขาไม่ได้เขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเรามากังวลกับเรื่องของเราดีกว่ากังวลว่าทำไมใจของเราไม่สงบเสียทีก็เพราะว่าเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดของเรา มัวแต่ปล่อยความคิดของเราให้ไปคิดกังวลกับเรื่องนั่นเรื่องนี้กับคนนั่นคนนี้หรือแม้กระทั่งกังวลกับเรื่องของร่างกายของตนก็ไม่ควรที่จะกังวลมันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอืน่นมันก็มีวิบากของมันถึงเวลามันจะเป็นอะไรก็ท่ามันไม่ได้ทําได้ก็เท่าแต่ดูแลมันไปตามปกติเท่านั้นเองถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอน ถึงเวลาออกกำลังกายก็ออกกำลังกายไปแล้วก็คอยดูแลรักษาหลบอย่าให้ถูกฝนฟ้าอากาศมาอาทำละทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยฝนตกก็หลบเข้าไปในที่ร่มอากาศหนาวก็หาผ้าห่มห่มก็ให้ทําไปตามปกติตามธรรมดาอย่าไปวุ่นวายกับมันมากจนทําให้มาเสียเวลาในการบําเพ็ญ และสร้างความพุ่งสร้างให้แก่จิตใจโดยใช่เหตุผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปรงอนิจังเสมอคิดว่าไม่ช้าแค่เร็วมันก็ต้องตายร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตามถ้ามูวมากังวล น, นี้มันก็จะเป็นนิวรอนมันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้จิตใจสงบเวลาทำจิตใจให้สงบนี้ต้องถือว่ายอมตายแล้วอะไรจะเกิดกับร่างกายก็ปล่อยให้มันเกิดไป เวลานั่งมันเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าใจยังไม่สงบก็จะไม่เลิกภาวนาใช้สติใช้ปัญญาไว้คอยควบคุมใจต่อสู้กับความวุ่นวายใจเวลาที่เจอกับความเจ็บของร่างกายทําใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบแล้วความเจ็บของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตัวที่ ป, ปัญหาไม่ใช่เป็นความเจ็บของร่างกายแต่ตัวความตัววุ่นวายใจนี่ต่างหาก ที่เป็นปัญหาเวลาใจวุ่นขึ้นมานี้จะทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าใจสงบนี้ร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็นั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนจะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจต้องมีปัญญาไว้คอยกำจัดความคิดที่ไม่ดีต่างๆคิดไปในทางความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ ปัญญาก็จะพิจารณาว่าอยากไปยังไงมันก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้มันจะพิการมันก็พิการถึงเวลามันก็ต้องพิการถ้าไปห้ามก็อาจจะเปลวิงเวลาหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ต้องเป็นอยู่ดีถ้ามันมีความคิดที่วุ่นวายกังวลกับร่างกายนี้การบําเพ็ญจะไม่ก้าวหน้าจะติดอยู่ตรงนี้ไปจนวันตาย แล้วจะไม่มีวันคืบหน้าไปได้อย่างหลวงปู่มันในสมัยที่ท่านปฏิบัติในสมัยที่ท่านเจริญสมาธิความสงบท่านก็มีปัญหาเรื่องของร่างกายท่านปวดท้องอยู่เรื่อยๆปวดท้องเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะมันปวดท้องก็เลยต้องหาอยู่้ายามากินกินแล้วก็ไม่หายหายปั๊บเดี๋ยวก็มาใหม่ในที่สุดท่านก็บอกว่าบงมันดีกว่า ไม่ต้องไปรักษามันจะนั่งถือว่าความเจ็บนี้เป็นทุกขเวทนาที่ใจจะต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบถ้าไม่ยอมปล่อยทุกขเวทนาใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ท่านจึงใช้การภาวนาพิจารณาร่างกายว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ไม่มีใครไปห้ามมันได้แล้วรักษาบางทีก็รักษาให้หายได้บางทีก็รักษาให้หายไม่ได้ถ้ารักษาไม่ให้หายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปแต่ใจเราอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเวลาเกิดความอยากให้มันหายมันจะยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจใจจะไม่มีวันสงบได้แต่ถ้ายอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดา ร่างกายนี้เหมันก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมดาที่จะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็หยุดรักษาแล้วทำใจให้อยู่กับมันให้ได้ดีกว่าท่านก็เลยตัดสินใจมาภาวนามาทำใจมาปล่อยวางทุกขเวทนาของร่างกายมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปไม่สนใจดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ พอใจพิจารณาเห็นโทษของความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแล้วเห็นคุณของการปล่อยวางเพราะทุกขเวทนานี้เกิดจากความอยากและความดับของความทุกข์ก็เกิดจากการปล่อยวางความอยากในทุกขเวทนาเพราะว่าทุกขเวทน า, นานี้ก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจามีเกิดมีดับมีตั้งอยู่ เวลาเกิดแล้วตั้งอยู่ยังไม่ดับจะให้มันดับมันก็ไม่ดับอยากไปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเปล่าๆนั่นก็อยู่กับมันไปมันอยู่ในสภาพไหนก็อยู่กับมันไปทุกขเวทนาดับก็รู้ว่ามันดับทุ ก, ทกเวทนาเกิดก็รู้ว่ามันเกิดทุกขเวทนายังตั้งอยู่ยังไม่ดับไปก็รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปอยากให้มันดับอย่าไปอยากให้มันไม่เกิด พราะมันจะทำให้จิตใจวุ่นวายขึ้นมาพอเห็นความจริงของทุกขเวทนาว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ใจก็หยุดความอยากอยากพออยากกับเรื่องของหยุดความอยากกับเรื่องของทุกขเวทนาได้ใจก็สงบสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับทุกขเวทนา เพราะความทุกข์ของใจไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาแต่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปพอกำจัดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกนี่เราอยากจะให้ฝนหยุดนี่ก็มันมันก็ไม่หยุดแต่เวลาอยากให้มันหยุดก็จะทุกข์ขึ้นมา พออยากจะไปทําอะไรข้างนอกไปไม่ได้ใจก็จะหงุดหงิดลาคาญใจทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ถูกฝนเลยแต่เพราะความอยากที่จะออกไปนอกบ้านไปทําอะไรแต่ฝนมันตกทําไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาแต่คนที่ทําใจได้ฝนตกทําอะไรไม่ได้ก็อยู่บ้านนอนพักผ่อนอันนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ ฉันใดเรื่องของความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายก็เป็นอย่างนี้เมื่อรักษาแล้วมันไม่หายต้องอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปจะอยู่กับมันแบบทุกข์หรือแบบไม่ทุกข์ก็อยู่ที่การปล่อยวางถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เมื่อรักษามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปก็ปล่อยให้มันปล่อยให้มันเป็นไปมันไม่หายก็อยู่กับมันไม่หายนี่แหละ ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าอยากให้มันหายมันก็จะทุกข์หลวงปู่มัน่นท่านก็พิจารณาอาการเจ็บท้องของท่านจนจิตของท่านปล่อยวางทุกขเวทนาและจิตรวมลงสู่ฐานของจิตดลยเข้าสู่อัปปนาแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศส จ, จรนท์พอออกจากสมาธิานี้ความเจ็บท้องนี้มันหายไปเองนี่ก็แสดงว่า ธรรมโอสถนี้ก็สามารถที่จะใช้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บบางอย่างของร่างกายได้นอกจากรักษาความทุกข์ใจแล้วยังมีผลพลอยได้จากการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้อีกด้วยแต่นี่ก็เป็ น, ปนกรณีกรณีไปไม่ใช่ว่าจะสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ทุกโรคแต่ที่รักษาได้ทุกโรค ก, ก็คือความทุกข์ของใจ ที่ไปเกี่ยวข้องกับโรคชนิดต่างๆถ้าเป็นแล้วมันไม่หายใจจะใจใจใจจะไม่ทุกข์ถ้ามีธรรมโอสถเคยมีปัญญามาสอนให้ใจปล่อยวางความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปพอปล่อยวางพระยอมรับด้วยความเป็นจริงว่ามันไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เมื่อเขาจะเป็นก็ต้องปล่อยเขาเป็นไป หรือเมื่อเขาจะต้องตายก็ปล่อยให้เขาตายไปก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายอันนี้คือธรรมโอสถ์ยารักษาโรคใจรักษาด้วยการภาวนาภาวนานี้ก็ใช้ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาควบคู่กันไปใช้กัญญาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช้สมถะคือความตั้งมั่นของจิต ต่อสู้กับความเจ็บไายได้ป่วยไม่หนีมันไปไม่ลุกขึ้นหนีมันไปตั้งตั้งอยู่ในท่าสมถะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาควบคู่กันไปได้เวลาที่เจริญทางปัญญานี้ถ้าจดจ่อไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่แต่เรื่องปัญญานี้ก็ถือว่ามีสมาธิสนับสนุนแล้วถ้าพิจารณาแล้วไม่อยู่กับการพิจารณา ทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสมาธิคอยสนับสนุนถ้าไปทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นไปคิดตามความอยากอยากให้มันหายขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ของใจได้เพราะจะไม่สามารถละตัณหาความอยากได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญจิตตภาวนา ขั้นตน้นถ้ายังไม่มีส ม, มถาภาวนาก็ต้องฝึกสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีส ม, มถาภาวนาเวลาเจอทุกขเวทนานี้จะสู้ไม่ได้จะอยากจะหนีอย่างเดียวอยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนอริยาบุตรือยกเว้นในกรณีที่เจอโครคภัยแค่เจ็บที่หนียังไงเปลี่ยนเอริยาบุตยังไงความเจ็บมันก็ไม่หายไปมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางทุกไปกับมัน หรือใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางหรือถ้ายังไม่มีปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปคิดถึงความเจ็บเพื่อสกัดไม่ให้ใจมิเกิดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้ามีพุทโธพุทโธควบคู่กับใจไปใจจะไม่สามารถอยากให้ความเจ็บหายไปได้พอความเจ็บความอยากไม่มีความทุกข์ก็จะ หายไปความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมาได้อันนี่เป็นการใช้สติเป็นการประเชิญกับทุกขเวทนาที่ยังไม่ได้เป็นวิธีดับทุกข์ที่ถาวรเพราะครั้งต่อไปเวลาเจอความเจ็บของร่างกายก็จะเกิดความทุกข์เหมือนกันแบบเดิมก็ต้องใช้พุทโธพุทโธใช้สติหยุดมันไปแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้ว สามารถหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ครั้งต่อไปเวลาเจอความเจ็บของร่างกายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะใจจะไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเห็นโทษของความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปหายไปว่าเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจนั่นเองเหมือนกับเราเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่เราศรีรษะ เจ็บก็เพราะว่าเราเอาคอรเป็นคนเอาคอนมาทุบเองทั้งต่อไปเราก็จะไม่เอาคอรมาทุบศีรษะเราแต่ถ้าเราโง่เราไม่สังเกตดูเราก็ไปโทษสิ่งอื่นว่าทําให้เราเจ็บศีรษะได้แล้วพยายามไปแก้มันก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามองกลับเข้ามาที่ตัวเรามองดูกระจกเราก็จะเห็นว่าออเราเอาคอนมาทุบศีรษะเราเองเราถึงปวดศีรษะแความทุกข์ใจก็แบบนั้น ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดแต่ความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปนี่เองที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเหมือนกระจกสองใจเราก็จะไม่เห็นตัวนี้ถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนบอกว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ไม่ได้เกิดจากความเจ็บ ไม่ได้เกิดจากความตายเลยความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ต่าหาที่ทำให้เราทุกข์ใจอันนี้คือกระจกส่องใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเอามาส่องใจเราเอามาพิจารณากับปัญหาของเราเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรานี้เองเราก็เลยจะต้อง หยุดความอยากทุกรูปแบบให้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะความอยากในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นความอยากทุกรูปแบบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่ความอยากเสพการอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจอยู่ไม่เป็นสุข ถ้าอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็ต้องกําจัดเวลาเกิดความอยากต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปทําตามความอยากผู้ที่มีปัญญาจะมีกระจกส่องใจแะเห็นว่าความว่าความอยากของตนเองนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ทุกข์ใจเหมือนกับคนที่มีกระจกส่องดูเงาของตัวเองก็จะเห็นว่าการที่ตนเองปวดศรีรษะก็เพราะเอาค้อนมาทุบที่ศีรษะของตนเองก็หยุดเคาะเท่านั้นเอง พอหยุดเคาะแล้วมันก็หายปวดศรีรษะพอเราเห็นว่าตันหาความอยากเป็นตัวที่ทาให้เราทุกทรมานใจเราก็หยุดมันเท่านั้นเองพอหยุดมันได้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ใจต่อไปนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องผ่านขั้นทานขึ้นมาสู่ขั้นศีล ผ่านขั้นศีล ข, ขึ้นมาสู่ขั้นสมถภาวนาพอได้สมถะภาวนาก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาตายลักษ์เสมอให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรานี้มันไม่สามารถเป็นไปได้สเสมอบางเวลาก็เป็นไปได้เวลาที่เป็นไปได้เราก็รู้สึกสุขสบายะ แต่เวลาที่เป็นไปไม่ได้ก็ทุกข์ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเช่นเวลาอยากให้คนที่เรารักไม่ตายแต่เขาตายไปอันนี้ก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเขาหายเขาไม่สบายแล้วรักษาหายเราก็ดีใจไปวันสองวันแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็กลับมาไม่สบายอีกแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากเลยเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะตายก็เรื่องของเขา เราก็จะได้ไม่มาทุกข์กับเขาต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองแต่ต้องบำเพ็ญไปตามขั้นตอนไปตามกำลังของตนถ้าสามารถบำเพ็ญทาที่สูงขึ้นได้ก็บำเพ็ญไปแต่ต้องดูว่าทาขั้นตอนนี้ทําได้หรือเปล่าบางคนไปทำบำเพ็ญทาขั้นสูงแต่ยังสาระทรัพย์สมบัติ สะละการคองเลือนไม่ได้ยังอยากจะ อ, อ, อยู่แบบคารวาสยังอยากจะหาความสุขแบบคารวาสอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกับหลอกตัวเองดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอานน์ตัสสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วท่านอยู่แบบไหนท่านอยู่แบบคารวาหรือท่านอยู่แบบนักบวชให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกเรา ให้เราคิดว่าโอย เ, เรามีปัญญาเราสามารถพิจารณาเจริญปัญญาได้โดยที่ไม่ต้องบวชไม่ต้องถือศีลอันนี้เป็นการหลอกตัวเองไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องเริ่มจากขั้นทานเพื่อเข้าสู่ขั้นศีลจากขั้นศีลก็เข้าสู่ขั้นสมถะขั้นสมาธิจากขั้นสมาธิก็เข้าสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญา แล้วก็จะนำไปสู่ขั้นหลุดพ้นคือวิมุตติตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกปัรปฏิ อิชิตังปัธิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัชจานตุสัพโรโขวินัสตุมาเตผวัตวันตรายยสุขีทีพายุโกภะ อาพิวาทนสีฤิธานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวโนสุขังพาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย พอหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคาถามอีกต่อไปองั้นตอนนี้ใครอยากจะถามก็เชิญถามได้เลยค่ะนามัสการพ่อค่ะหนูจะถามเรื่องสมานั่งสมาธิค่ะเพราะแต่ก่อนหนูั่งนั่งสมาธิหลังทานข้าวรู้สึกล่วงก็เลยมานั่งก่อนกินข้าวก็เริ่มนั่งได้แต่เหตุเกิดเมื่อเช้าเนี้ยค่ะหนูเริ่มนั่งสมาธิแล้วรู้สึก ใจมันหายนะคะหนูก็เลยตกใจนะคะอยากทราบว่าพระอาจารย์จะช่วยจีแหนยังไงดีคะมันหายยังไงมันเหมือนดวงใจของหนูมันมันเหมือนมันเหมือนหลุดอะค่ะมันว่างมันสงบลยก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าประคับประคองให้มันอยู่กับให้มันเวลาหายไปเวลาใจหายใจสบายแต่เราไม่เคยใหม่ๆก็เลยตกใจ ทุกข์เตกใจกันออกมาต่อไปเวลามันหายก็ให้มีสติรู้อยู่เฉยๆก็แล้วกันรู้ว่ามันหายแล้วจะรู้ว่ามันสบายถ้าไม่ตกใจตอนนี้ตอนใหม่มันตกใจเหมือนคนตกหล้มตกบ่อตกเหวนี่มันจะตกใจมันก็เลยกลัวแทนที่จะปล่อยให้มันตกไปให้มันตกไปถึงก้นบ่อเลยบ่อนี้มันมีเบาะนุ่มๆรออยู่ไม่เจ็บหรอกแล้วมันจะสุขจะสบายจะนอนอยู่ใน ค้นบ่อ น, นั่นเลยสาธุค่ะหลวงพ่อเวลาจิตมันรวมเวลาจิตสงบมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันหายมันเบามันว่างไปหมดใหม่ๆไม่เคยมันก็จะตกใจน่าเชิ่อนั้นใหม่คุ้เคะถ้าเหตุการณ์นี้คือปฏิบัติแล้วก็ นานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เคยถูกถามพระอาจารย์ค่ะก็คือว่าปฏิบัติแล้วพบว่าจิตว่างสงบนิ่งแล้วก็ว่างแล้วก็ชอบอะค่ะชอบแล้วเป็นอย่างนี้อยู่นานนะคะจนคือประคองจิตอยู่ตลอดแต่ต้องออกจากสมาธิก็เดินก็ยังว่างอยู่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยชีวิตแล้วติดสุขว่ า, วามัสุขว่าพอไปทางานเนี่ย ไปเจอแต่ปัญหารอบข้างรูสึกเบื่อจังเลยเวลาใช้ความคิดก็ต้องใช้ไปในทางปัญญาให้คิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของชั่วคราวอย่าไปยึดอย่าไปติดเป็นอนัตตาเราไปกำหนดไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ดีเสมอไปเอามันตามความเป็นจริงของมันอย่าไปอยากให้มันดีเสมอ ถ้าไปเจอเวลาที่มันไม่ดีก็บอกเออมันนี่แหะอนัตตามันเป็นอย่างนี้แหละเออยู่กับมันไปอย่าไปวุ่นวายใจไปกับมันถ้ามีปัญญาแล้วเราจะสามารถทํางานได้อย่างสบายใจปล่อยวาง <Okay. S 1> ทาไปตามหน้าที่ตามเนื้อผ้าตามเหตุตามผลได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ดัง <Okay. S 1> นั้นพยายามหมั่นพิจารณาหลังจากที่ออกจากความสงบแล้ว ใจเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็เอามาคิดทางปัญญาทันทีคิดว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายนี้ไม่เที่ยงมีเจริญ่ามีเสื่อมมีเกิด ก, ม ก, ม ก, มก็มีดับให้คิดอย่างนี้ไปแล้วใจจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้เรื่องหนึ่งเคยเป็นเหตุการณ์ที่ทำงานนะคะคือเจ้านายเนี่ยก็คือ ใช้งานด่วนรีบอยู่บ่อยๆะค่ะทําให้เครียดเพราะว่าอยากทํางานให้เสร็จอยากสนองเจ้านายปัญหาก็บอกแล้วไงอยากอยจะไปอยากเลยทาไปทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ทําเท่าที่เราทําได้่ะแล้วพอเครียดแล้วก็ไม่สบายอลมแน่นท้อง เนี่ยเพราะเรายังไปอยากจะเอาใจเขาอยู่ <Okay. S 2> อยากจะรักษาสถานภาพของเรากลัวถ้าเราทําไม่ถูกก็จะโดนก็ด่าแทนที่ได้รับสรรเสริญ <Okay. S 2> กลัวความเสื่อมทางสรรเสริญกลัวความเสื่อมทางยศกลัวเขาจะไม่ขึ้นตําแหน่งให้เรากลัวจะเสื่อมทางเงินเดือนเขาจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเนี่ย <Okay. S 2> เพราะความหลงไปยึดติดกับลาบยศสรรเสริญไม่พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องอนาัตตาไปบังคับมันไม่ได้ มันจะเสื่อมก็ต้องเสื่อมมันจะเจริญก็เจริญไปตามเหตุตามผลของมันเราก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าไปเครียดกับมันทำแบบไม่มีความอยากก็ได้ไม่ใช่หรือทาไมต้องไปทำตามต้องมีความอยากด้วย<ช>ก็ทำไปสุดสุดฝีมือสุดกำลังได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไป เอาได้ไหจบเพียงแค่นี้ค่ ะ, อะขอบพระคุณมากค่ ะ, ะไม่ใช้ปัญญามีแต่สมาธิมีแต่ความสงบใช้ปัญญาไม่เป็นเนี่ยต่อไปนี้ออกจากสมาธิมาพยายามมองทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ไปให้หมดเจ้านายเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้บังคับให้เขาไม่มาสั่งเรางี้ก็ไม่ได้เขาจะสั่งก็ปล่อยเขาสั่งไปเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราทำตามกำลังของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น เขาไม่พอใจจะให้เราออกก็ออกไปดีจะได้หมดเวรหมดกรรมเลยมันเป็นปัญหาเลยไปติดอยู่กับคนอย่างนี้ทําไมอยู่กับเขาแล้วเป็นทุกข์ไปอยู่ทําไมเพราะยังอยากในลาบยศสารเสิร์นอยู่เพราะนั้นเองถ้ามีความสุขจริงแล้วมันทิ้งได้หมดเขาพวกนี้ถ้าจิตสงบจริงมันจะไม่มันไม่อยากจะได้อะไรถ้ายังไม่ยังไม่สงบจริงมันยังเท่าทยังอยากนู่นอยากนี้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบจริง เพราะความสงบนี่เป็นความสุขเหนือความสุขทั้งปวงค่ะาจางเราชัดเจนมากค่ะไปอตอไปดวงตไปคาถามจากทางบ้านจากคุณนะวิจิตาหนูมีปัญหาเรื่องการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ค่ะหนูไม่รู้ว่าควรนึกถึงอะไรควรนึกภาพอะไรจิตจึงจะเมตตามากพอ ที่จะแผ่เมตตาออกไปได้แต่เวลาแผ่เมตตาให้พ่อแม่หนูแผ่ออกไปได้ค่ะหนูคิดว่าหนูกำลังหลงทางขอพระอาจารย์โปชี้แนะทางสว่างแก่หนูด้วยค่ะและต้องทำอย่างไรให้เกิดปัญญาคะทุกวันนี้ได้แต่ความสงบทางใจเวลานั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยมีปัญญาเลยค่ะคือการแผ่เมตตาก็คือการแผ่ความรัก ความกรความสงสารให้กับผู้อื่นนั่นเองคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นปลายปีนี้เราจะส่งสอศ ก, กันใช่ไหมสอขศแปลว่าอะไรส่งความสุขอันนั้น่ะก็คือความแผ่เมตตาทีนี้คาว่าสัพพสัตก็คือไม่เลือกใครไงไม่เลือกว่าต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักคนที่ใกล้ตัวเลิกไกลตัวให้ส่งความสุขเท่ากันไปหมดอันนี้ ถ้าเรายังส่งไม่เป็นก็ยังยังผลิตความรู้สึกนั้นไม่ได้ก็ให้เราส่งคิดถึงคนที่เรารักที่เราส่งได้ก่อนเช่นพ่อแม่เราส่งได้เราก็เอาความรู้สึกที่เราให้กับพ่อกับแม่นี้มาให้กับคนที่เราไม่รู้จักอันนี้เป็นการฝึกไปทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาอยากจะเวลาเวลาที่อยากจะให้ความสุขกับใครก็คิดถึงพ่อแม่หรือสมมติว่าเขาเป็นพ่อแม่เราก็ได้ แล้วเราก็ให้ความสุขเขาแล้ให้เมตตากับพ่อแม่ได้คนอื่นแล้วก็สมมุติว่าเขาเป็นพ่อแม่เราถ้าเราสมมุติเราก็สามารถที่จะเอาความสุขที่เรามีต่อพ่อแม่นั้นมาให้กับเขาได้อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกแผ่เมตตาเพื่อที่เราจะได้แผ่ให้กับสบรรพสัตว์ได้ส่วนเรื่องของปัญญานี่ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้สอนญาติโยมแล้วว่าพอออกจากสมาธิมาแล้วพอใจเริ่มคิดปรุงแต่ง ก็ให้บัคคิดปรุงแต่งไปในทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปเสียงกลิ่นร้อกรบอกไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หมดแล้วนะอดูหนังปั๊บเดี๋ยวก็จบแล้วนะจบแล้วความสุขที่มากับดูการดูหนังก็หมดแล้วนะเอหลืออยู่แต่ความอยากดูใหม่ตอนท้ายหนังก็มักจะมีหนังตัวอย่างสทำหนังเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องใหม่พอดูจบแล้วจะได้รู้เรื่องใหม่มีมีอะไรมาอีกจะได้ไปดูอีก อันนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเวลาท้าไม่ได้ดูก็จะเหงาจะว้าเวยอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดูอยู่เรื่อยๆงั้นความอยากดูหาความสุขในรูปเสียงกยลิ่นรสนี้มันเป็นความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นความสุขที่อยู่เบื้องหน้าพอความสุขนั้นจางหายไปก็มีความทุกข์มามารออยู่เลยแต่ถ้าเราไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเราก็จะไม่มีความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่มีความทุกข์จากสิ่งเวลาที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เราจะได้ไม่ไปไปหามันไปแสวงหามันกลับไปหาความสงบดีกว่ากลับไปทําใจให้สงบดีกว่าแทนที่จะนั่งดูหนังสองชั่วโมงนั่งสมาธิสองชั่วโมงดีกว่าได้กําไรกว่าเงินก็ไม่เสียร่างกายก็ไม่ไม่เสียสุขภาพไม่เสียสายตา ดูอะไรนานๆเดี๋ยวตาก็เสียอีกหลับตานี่รักษาสายตาไว้ให้มันมีอายุยืนยาวนานเงินก็ไม่ต้องเสียนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราใช้ปัญญาอยาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนกิ้วกายเพราะมันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บมันก็จางหายไปต้องคอยจุดมันอยู่เรื่อยจุดเทียจุดทูบอยู่เรื่อย พอทูบดอกนี้หมดก็ต้องจุดทูบดอกใหม่ถ้าอยากจะได้กลิ่นของของทูบนี่คือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ส่วนความสุขทางธรรมนี่พอจิตสงบแล้วอิ่มสบายไม่หิวไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ว้าเหวไม่เหงานี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบได้เพื่อที่จะทําให้เราหยุดเพึ่งหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกาย เพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ในอนาคตเพราะถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาไม่สามารถหาลูกเสียงกลิ่นรสได้ก็จะทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถเสพได้ก็จะทุกข์เวลาตาโม่ตาไม่ดีเวลาหูหนวกฟังไม่รู้เรื่องก็จะทุกข์จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้นกายได้คำถามจากคุณอ้อหนูมีปัญหาในการนั่งสมาธิค่ะพอนั่งไปสักพักรู้สึกมึนหัว และรู้สึกเหมือนร้อนวูบๆตามตัวจนต้องเลิกนั่งเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะกิเลสของเราเรายังอยากจะไปดูไปฟังอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นพอให้นั่งเฉยเฉยมันก็เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นเบื้องต้นก็อาจจะต้องใช้อุบายอย่างอื่นเช่นสวดมนต์ไปก่อนหรือฟังธรรมะไปก่อนเพราะว่าถ้าบาบางคับให้ทำเองมันยังอาจจะทาไม่ได้ก็อาศัยการฟังเสียงสวดมนต์ก็ได้การฟังเทศก็ได้ เพราะเวลาฟังเทศนี้เรามักจะนั่งได้นานวันนี้เทศเกือบชั่วโมงนี่ญาติโยมนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะใจมีเรื่องคอยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆแต่ได้นั่งเฉยๆคนเดียวนี่รับรองว่านั่งไม่ได้นั่งสักห้านาทีสิบนาทีก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาละเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แน่นหน้าอกปวดศรีรษะขึ้นมาอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาของจิตปฏิกิริยาของกิเลสตัณหา ที่มันไม่สามารถทำอะไรตามที่มันต้องการได้มันก็เลยสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยท่านบอกทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะความอยากดังนั้นเวลาที่เรานั่งไม่ได้จริงๆก็ลองนั่งฟังเทศไปก่อนลองนั่งสวดมนต์ไปก่อนหรือถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็ลองเดินจเจริญสติไปก่อนเดินไปท่องพุทโธพุทโธไป หรือโดนไปแล้วดูเท้าของเราก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเป้าหมายก็คือให้เราหยุดคิดเพราะถ้าเราไม่คิดความอยากมันก็จะเกิดไม่ได้พอเรามีสติพอจะควบคุมความคิดได้เวลามานั่งมันก็จะไม่เกิดอาการต่างๆขึ้นมาคำถามจากคุณภาวนามีสามีภรรยาคู่หนึ่งระหว่างรถติดไฟแดงภรรยาเห็นผู้หญิงขายพวงมาลัย ต้องการช่วยเหลือซื้อพวงมาลัยมาถวายพระแต่จุดประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือคนขายแต่สามีไม่ยอมให้ซื้อพูดจาขัดขวางให้เหตุผลว่าพวงมาลัยฉีดยาฆ่ า, มาแมลงมันอันตรายสุดท้ายสามีก็ขับรถออกไปไม่ยอมให้ซื้อถามว่าคำว่าบาปคือการทำร้ายผู้อื่นและทำผิดศีลห้านั้นกรณีนี้ สามีขัดขวางไม่ให้ภรรยาได้ทำบุญสามีได้ทำบาปหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่ได้ทำบาปแต่ไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญท่านเองภรรยาจะทำบุญแต่สามีไม่ยินดีไม่ร่วมไม่ร่วมแสดงความยินดีไปขัดขวางภรรยาก็เลยไม่ได้ทำบุญนะเนี่ยท่านถึงบอกว่าให้ฝึกอนุโมทนาบุญ เวลาภรรยาไปทําบุญที่วัดกลับมาบอกว่าไปทํางานไปถอยวัดมาล้านหนึ่งก็อย่าไปเป็นลมควรจะรีบอนุโมทนาบอกโอ้ยดีออกดีใจอ อ, อ, อถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมเขานี <laughs> ถ้าอนุโมทนาแล้วก็จะมีความสุขร่วมบุญไปกับภรรยาเพราะไหนๆมันก็ทําไปแล้วมันก็ไม่เอากลับมาได้แล้ว้ยไปเป็นลมก็ทุกข์ไปเปล่าๆ แต่ถ้าอนุโมทนาได้ก็จะมีความสุขแล้วต่อไปก็อาจจะอยากจะทำเองดีแล้วเขาทำได้เราก็ต้องทำบ้างเขาเอาเงินของเราไปทำปล่อยเขาทำคนเดียวเราก็ต้องเอาไปทำบ้างก็ได้และถ้าไม่ได้เป็นการทำบาปแต่เป็นการทำกรรมไม่ดีใช่ไหมคะก็ไม่ได้อนุโมทนาบุญเนีย และจะมีผลกรรมตามมาไหมคะ อ, อ๋อก็เหมือนก็จะเป็นนิสัยไปจะคัดจะไม่ชอบทําบุญจะไปขวางมันจะหาเหตุผลเรื่องการไม่ทําบุญเสมอเห็นไมซื้อดอกไม้ก็หาว่าดอกไม้มีฉีดสารพิษเดี๋ยวเวลาจะไปทําบุญอยากจะไปทําวัดที่มีพระ ด, ดีแต่ก็มีคนไปทําบุญเยอะก็ว่าวัด น, นี้มีคนทําบุญเยอะแล้วไม่ก็ไม่อยากจะทําอยากจะไปทําวัดที่ไม่มีคนทําบุญก็หาว่าวัด น, นี้พระไม่ดีมันถึงไม่มีคนเข้า มันก็เลยไม่ได้ทําอยู่นั่นมันจะหาเหตุไม่ให้ทำอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันจะคอยหลอกเราเหมือนกับเราอยากจะกินอาหารเนี่ยอยากจะกินอาหารร้านอร่อยก็คนเยอะต้องไปเข้าคิวก็ไม่อยากจะร อ, อ ก, ก็ไปกินร้านที่ไม่มีคนกินก็มันก็ไม่อร่อยก็ไม่อยากกินเนี่ยทำไปทํามาก็เลยไม่ได้กินโอดอยากไปตายไปก็ไปเป็นเปรต และหลายครั้งที่สามีไม่เห็นด้วยในการทำบุญของภรรยาภรรยาจึงแอบไปทำบุญเมื่อสามีรู้ก็มักจะต่อว่าด้วยความโกรธทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาแบบนี้สามีได้กระทำอกุศลกรรมใช่หรือไม่คะก็เป็นอกุศลเนี่ยที่ว่าไปไปไปขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นการไม่การไม่เห็นกับการทำบุญว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ แสดงว่ามีอวิชามูความหลงความตหณีเนี่ยที่เทศวันนี้เทศให้ทําทานก็เพื่อจะคลายความตณีคลายความหวงเงินทองอยากจะเก็บเงินไว้ไปซื้อไปซื้อของเล่นของกินซื้อความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายพอทึศถ้าใช้แบบนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่ว่าใช่ไหมถ้าไปเที่ยวไปเดินทางต่างประเทศกลับมาหมดไปเป็นแสนก็ไม่ว่าอะไรแต่พอไปทําบุญนี่หมดไปเป็นแสนนี่ถ้าได้ข่าวคงจะเป็นลมแน่ อ่ามีทางนี้เลยอ่าอยงไม่ทํายใอ่าผมพ่อคะ่ะการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูว่าเป็นคนที่อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาว่างเยอะแล้วหนูนั่งไปโบเฮะค่ะได้ไหมคะได้ก็กินข้าวกินบ่อยๆเลยยิย่งกินก็ยิง่งอิ่มยิง่งเจริญเติบโตไม่มี ไม่มีข้อห้ามนั่งได้เท่าไหร่นั่งได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีไม่ได้นั่งทั้งวันนะคะคือพอเวลาว่างก็จะนั่งเออญาณเสียบอกว่านั่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี<า>ขั้นนี้นะขั้นขั้นต้นยังไม่มีสมาธิก็นั่งให้มากๆทำใจให้มีสมาธิก่อนแต่พอมีสมาธิแล้วต่อไปก็ต้องเปลี่ยนจากการนั่งสมาธิก็ต้องมาเจริญปัญญาบ้างเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องฝึกหัดคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา เช่นสามีของเราไม่เที่ยงลูกของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันพัดพาดจากกั น, เ, นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทำการบ้านไว้พอเวลาจะต้องเข้าห้องสอบจะได้สอบผ่านสอบผ่านก็คือไม่รู้ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเสียใจยถ้าเสียใจร้องห่มร้องไห้ก็แสดงว่าสอบตกสาธุค่ะสองค่าวเกจากการปฏิบัติเจ้าค่ะท่านอาจารย์ คำแรกอ่อถามแรกคื อ, อ, อคราวนี้ที่ลูกนั่งสมาธิแล้วกอ็อมีบางช่วงที่รู้สึกว่าพอเริ่มสงบมันก็จะเบาๆแล้วก็นิ่งสักพักหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับความคิดมันก็จะยังลอยๆเข้ามาอยู่ปลายยังไม่สงบเต็มที่ะ ค, ะคือลูกลูกมีความรู้สึกแบบนั้นเบลอ ๆ, ๆนะค ะ, ล, คะลูกก็เลยสงสัยว่ามันเป็นพ้อง่วงหรือเปล่า ก็จะเป็นได้เพราะสติมันเริ่มอ่อนนะสติมันเหมือนกับถ่านนี่มันเริ่มอ่อนนะมันเริ่มล้วนละก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้ลุกมาเปลี่ยนอุปัาเดินจงกรมต่อโดยถ้าง่วงจริงๆก็นอนได้พักพักพักป่อนหลับนอนพักพักก็ได้คือคือมันไม่ได้รู้สึกง่วงกับ่านอาจารย์แต่มีความรู้สึกใช่เวลาจิตเลอจิตใกล้จะสงบนี่สติมันก็จะอ่อนไปด้วยถ้าสติเรามีไม่กำลังไม่มากพอ มันก็จะมันก็จะเคลิ่มไปกับความสรบ ม, มันก็จะหลับได้แต่ถ้าเรามีสติที่แก่กล้ามันจะไม่รู้สึกว่วรพูกยังยากไม่ออกเจ้าคะ่ะทานาจารย์ว่า ค, ค, คือคือความรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกับง่วงหรือยอยากนอนพอจบแล้วก็ไม่ได้ก็ยังรู้สึกสดชื่นเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่คมง น, น, นั่นแหละลก็แสดงว่าสติมันไม่พอกำลังไม่พอก็ต้องฝึกสร้างสติให้มากให้มันมีมากขึ้นไป เครื่องมันรวนน่ะมีอะไรไหมอ่าหายแล้วเยอะขึ้นวนวตามสติไหนลองยัล ง, ยงลองยกขึ้นมาใหม่สิอ๋อไม่ไปรับสัญญาณของใครบ้ <c oughs> สัญญาณเครื่องโ <c oughs> ทราศัพท์ของใครไม่เป็นไรละอ่ะแต่ดงก็เอาเอาลงไว้ก็แล้วกันอ้าอย่ายงนั้นไม่มีอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ